มีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์เขไปถามพระพุทธเจ้าว่าสมณะโคดมท่านมีที่นั่งที่อยู่สบายสินะนะคือคือคำพูดเก่งๆบอกว่าถ้าว่าถ้าท่านเจนเป็นกษัตริย์ท่านเป็นคนที่มีคนนับถือมากเป็นต้นเนี่ยท่านคงมีที่อยู่สบายเช่นมีบัลลังมีที่นั่งแหมทุกอย่างดีหมดเลยใช่ไหมบอกว่าที่อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่พูดถึงแต่ว่าตถาคตมีที่อยู่ที่ดีกว่านั้นที่อยู่แล้วสบายเพราะพระองค์อยู่ด้วยพระองค์ไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่คือพรหมวิหาร นะพระ อ, องค์อยู่ที่ไหนก็เข้าพรหมวิหารได้พระ อ, องค์ไม่เดื่อร้อนเรื่องอาสนะทิพย์อาสนะพรหมและอาสนะของพระอริยเจ้าพระ อ, องค์มีที่อยู่แบบพรหมคืออยู่ด้วยพรหมวิหารอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุติตาอยู่ด้วยอุเบกขาพระ อ, องค์อยู่ด้วยทิพพระวิหารคือการเจริญฌานทั้งหลายนะจากกสินเป็นต้นปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌานหรือเข้าอารูปฌานทั้งหลายไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพระ อ, องค์ ไอาการที่พระองค์อยู่ด้วยฌานทั้งหลายเรียกว่าอยู่ด้วยทิพพระวิหารส่วนอริยวิหารก็เช่นการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเจริญโพธิปัจิยธรรมทั้งหลายเพื่อการตรัสรู้ถ้าสูงสุดเลยก็คือการเข้าพระสมมาบัติการเข้าพระสมมาบัตินั่นแหละเรียกว่าเข้าอริยวิหารอยู่ด้วยอริยวิหารเนี่ยนะดรงมั่นอยู่ในอริยวิหารผู้ที่มีที่อยู่อย่างนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็สบาย นะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่เลยเรียกว่าอะไรสมมติโลกนี้นะชาวโลกใครก็ตามที่ไม่มีบ้านไม่มีที่สุกหัวนอนเลยเนะนะก็เรียกว่าคนเขาเป็นคนที่น่ายกย่องสรรเสริญเลยไหมไม่มีที่อยู่เลยอะ่ะร่างกายไม่มีที่อยู่เลยนั่งตรงไหนก็เดือดร้อนไปที่ไหนก็ถูกแต่เขาไล่จะไปนั่งตรงไหนยืนตรงไหนเดินตรงไหนเข้าไปหลายแห่งเขาไม่ให้เข้าไปเนี่ย อ น, นี้ก็เรียกว่าคนยากคนไร้คนไร้ค น, ไรคนอนาถาไม่มีที่พึ่งที่พักที่พิงฉันใดใจของเราทั้งหลายถ้าไม่มีเมตตาอยู่ภายในไม่มีพรหมวิหารอยู่ภายในไม่มีทิพวิหารอยู่ภายในไม่มีอริยวิหารอยู่ภายในก็เป็นคนกัมเพร้าทางวิญญาณเหมือนกันวิญญาณกัมเพร้าวิญญาณอนาถาเหมือนกันจิตใจอนาถาไรที่พึ่งโอ้ยทำไมมันแห้งแล้งแท้ คิดแล้ไปพักอยู่ตรงไหนก็นั่งในนิดเดียวก็เหนื่อยไปอีกแล้วเนี่ยนะความคิดล่องลอยถ้ามันเป็นรูปธรรมนี่สงสัยเป็นวิ่งชนกันระเบิดเติงไปหมดแล้วนะแต่ดีว่ามันเป็นนามธรรมเป็นถ้ามันเป็นรูปประธรรมมันแผ่แบบเป็นคลื่นเป็นอะไรสักอย่างคลื่นมันคงตีกันฟ้าแลบฟ้าสนันวันไวไปหมดแต่นี้ดีว่ามันเป็นนามธรรมมันไม่ชนกันเนี่ยนะมันก็ พยายามสร้างที่อยู่ให้กรใจให้ใจมีที่พับพิงทันเบื้องต้นของการเจริญเมตตาหรือเจริญพรหมหารก็คือเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะฝึกเจริญเมตตากายกรรมฝึกเจริญเมตตาที่ประกอบไปด้วยวจีกรรมที่เมตตามโนกรรมทั้งหลายเนี่ยนะเมตตากายกรรมก็คือทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างถ้าทำเพื่อคนอื่นจริงๆเชื่อไหมก็ทาเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ตอนต้นดูเหมือนทาให้คนอื่น สมมติถ้เหมือนกับว่าเรารดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินให้ต้นไม้นะี่นะทำเพื่อต้นไม้หรือทำเพื่อเรากันแน่อ่ะถ้าต้นไม้ที่ผลิต ด, ดอกออกผลที่เราต้องการด้วยนะทำเพื่อต้นไม้หรือว่าทำเพื่อเราตอนต้นเหมือนทำให้ต้นไม้จริงๆแบบทำให้ต้นไม้แต่ตอนท้ายก็ทำให้เราฉันใดการที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นก็เหมือนกันนะ การที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่ก็ชื่อว่าทําให้แก่ตัวเองต่อภายในอนาคตเนี่ยนะบัดนี้ทําเพื่อตัวเองแต่อนาคตทําให้อขออภัยบัดนี้ทําให้เหมือนทําให้คนอื่นแต่อนาคตทําให้ตัวเองเนี่ยนะโอ้ยเหมือนกับว่าอย่างสมมติคิดง่ายเห็นแต่เขอมานี่ขยันพูดขยันแสดงธรรมเนี่ยอยคิดว่าทําให้โยมนะเหมือนนั้นนะแต่จริงๆริงอ่ะอยากทำให้ตัวเองในอนาคต อนะใช่ไหมแต่ว่าเบื้องหน้าก็ทำเหมือนทําให้คนอื่นไปก่อนแต่ว่าจริงๆอะ่ะต้องทําให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเนื่องจากว่าเรานี่อยากจะได้อะไรเราก็เลยรีบมาทําสิ่งนั้นก่อนอย่งนั้นนะเพราะถ้าผู้ใดปรารถนาวัตถุมากๆ ม, ม, มัง่งมีทางวัตถุก็ให้วัตถุให้แก่คนอื่นให้มากให้ประโยชน์ทางวัตถุแก่คนอื่นมากเท่าใดในที่สุดตัวเองก็จะเป็นคนที่มากไปด้วยวัตถุถ้าหากว่าให้อภัยแก่คนอื่นมากเท่าใดแล้วตัวเองก็จะอยู่โดยที่ไม่ มีภัยถ้าให้เรา่าให้สติปัญญาให้ความรู้เอาทุกครั้งที่เราพูดเราก็ได้ความรู้หนึ่งครั้งไงแล้วสะสมบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นเบื้องต้นเหมือนทำให้คนอื่นแต่ว่าปลายปลายแล้วก็เป็นของเราแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่าปฏิเสธว่าคนอื่นไม่ได้รับประโยชน์ก็ได้รับแหละแต่ว่าจริงๆเราก็รับอยู่แก่แกใจเราอยู่แล้วเพราะนั้นความคิดเราใดสิ่งเหล่านั้นก็เป็น สมบัติของเราจริงๆไม่ใช่ได้แค่ชื่อไปไว้เขียนตามแปะตามที่ต่างๆว่าสมบัติชื่อพระสมบัติเฉยๆเนี่ยไม่ก็จะได้มีสมบัติคืออริยทสัพย์ติดใจไปบ้าง น, นะไม่เอาแต่ชื่อไปเฉยๆเนยนะนั้ น, ะ น, นชื่อไปเดี๋ยวก็ไปซ้ําชื่อคนอื่นก็ชื่อเหมือนกันเยอะแยะชื่อโลโลว่างั้นเนี่ต่อไปว่าเมตตาเมตตาเมื่อกี้บอกว่าอาวิเจวะระโหจ่าเนี่ยอาวิแปลว่ารับหลัง ระโ h แปล ว, ว่าต่อหน้าก็ได้แต่ตรงนี้เขาบอกว่าทั่วไปนิยมแปลว่าต่อหน้าและรับหลังแต่ว่าโดยอัธยาศหมายถึงต่อหน้ารับหลังถ้าโดยพยัญชนะก็หมายถึงที่แจ้งและที่รับเจริญเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเช่นอธิบายว่าบทนั้นการร่วมกันในเมตตาวจีกรรมเป็นต้นสําหรับที่สูตทั้งหลายเรียกว่าเอาขอภัย การร่วมกันในจีวรนกรรมทั้งหลายสําหรับพิสูจทั้งหลายเรียกว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าคือช่วยเหลือแก่กันและกันเป็นการช่วยเหลือแก่กันและกันเนี่ย น, ะอยนะอีกฝ่ายหนึ่งมีธุระอีกฝ่ายหนึ่งก็ขวนขวายที่จะช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมแต่สําหรับพระเถระทั้งหลายสามีจีกรรมทั้งหมดต่างโดยการล้างเท้าพาดหวีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเมตตากายกรรมต่อหน้า ไปกราบไหว้ท่านไปไปพัดท่านช่วยล้างเท้าให้แก่ท่านนะนะถ้าสําหรับพระพิกษุมีพันสาน้อยทำต่อพระภิสุมีพันสามากเป็นต้นนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมต่อหน้าส่วนเมตตากายกรรมรับหลังนะนะเมตตากายกรรมรับหลังก็ไม่ทําการดูหมิ่นในเหล่าภิกษุที่เก็บงําสิ่งของมีเครื่องไม้เป็นต้นที่ภิกษุอีกฝ่ายหนึ่งเก็บไว้ไม่ดี ก็เห็นป้าก็คิดว่าเหมือนตัวเองเนี่ยเก็บไว้ไม่ดีเสียเองเนี่ยนะคือเห็นงานที่คนอื่นทำเอาไว้ผิดพลาดมีความรู้สึกว่างานที่พลาดนั้นเป็นเหมือนกับงานเราไม่มุ่งจะตำหนิแต่มุ่งจะแก้ไขเหมือนกับความผิดพลาดเหล่านั้นคือของเรานั่นเองนี น, นะอันนี้แหละเรียกว่าเมตตากายกรรมรับหลังเช่นว่าบางทีเห็นเข้าไปเก็บไม้กวาดเอาไว้เนี่ยนะ แม่เก็บไว้ไม่ดีเนี่ยกิสรรหาเลยโพนธนาด่าใหญ่เลยนะใครมาเก็บไม่มีระเบียบเรียบร้อยโอ้ก็อไอ้อวยวายไปเลยเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าลักษณะของอะไรขาดเมตตากายกรรมรับหลังแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเออใครทําอะไรผิดพลาดแล้วเราตามแก้อย่างเดียวเนี่ยนะก้มหน้าก้มตาทําไปไม่ใช่คําว่าเมตตากายกรรมรับหลังเนี่ยไม่โกรธ แก้ไขได้แก้ไขแต่ไม่ใช่ไม่รู้จักแนะนําตักเตือนเพราะถ้าหากว่าเขาพลาดแล้วเราไม่รู้จักบอกเขาเรียกว่าขาดเมตตาวจีกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมตตาวจีกรรมคือการแนะนําตักเตือนการสั่งสอนอย่าลืมว่าเขาทําพลาดแล้วเราโกรธกลับให้คําแนะนํามันคนละประเด็นกันนะมันคนละอย่างกันก็ต้องมาแจกกันว่าเออส่วนที่เขาทําพลาดเราไม่โกรธเขาแต่เราก็มีเมตตาให้คําแนะนําตักเตือน ให้คําบอกคําสอนให้คําว่ากล่าวเนีย่ยนะข่มคนที่ควรข่มตําหนิคนที่ควรตําหนิสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญพราะนั้นคําว่ามีเมตตาเนี่ยนะเมตตาวจีกรรมเนี่ยพระพุทธพจน์ทกุกอย่างเป็นเมตตาวจีกรรมหมดเลยนั้นเมตตาวจีกรรมไม่ได้แปลว่าไม่ขม่คมนคนที่ควรข่มไม่ตําหนิคนที่ควรตําหนิหรือไม่ยกย่องคนที่ควร y OK y คยกย่องเขาเรียกก็แบ่งเวลาเป็นนั้นเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้น เน้นไม่ทําอะไรด้วยโทสะเน้นพิเศษคือไม่ทําด้วยโทสะไม่ทําด้วยอกุศลไม่ทําด้วยความเครียดหงุนหงิ ด, งดและรําคาญแต่ทําด้วยเมตตาวังดีเพราะฉะนั้นจะมองสิ่งที่คนอื่นทําพลาดก็เหมือนกับตัวเองนี่แหละทําพลาดในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้มีประสบะการณ์มีความรู้แก้ไขตรงนั้นไปเมื่อแก้ไขเสร็จแนะนําว่าวันหลังคุณอย่าได้ทําอย่างนี้อีก นะมีวิธีทําโดยที่คนอื่นไม่ต้องตามแก้งานให้คุณก็แนะนําไปอะไรไปช่วยเหลือบอกกล่าวไปไมาใช่โอ้ยเก็บความเลวของคนอื่นมาประจานทานั้งทั้งที่ความเลวอันนั้นมันไม่ได้มีในปัจจุบันคิดว่าไปขุดตามขุดโอ้ยขุดมาเนี่ยเขามีความเลวถ้าระ ล, ลึกชาติได้ไว้ตามขุดมาว่าอดีตชาตินี่เลวแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะหมอกไม่อ่ะ น, นั้นคิดว่าขาดเมตตาว่าจีกรรมขาดเมตตามโนกรรมเป็นต้นดังนั้นการมีเมตตาก็คือความ หวังดีความปรารถนาดีการคิดช่วยเหลือการคิดเกื้อกูลว่าเขาเป็นอย่างไรเนอช่วยเหลือเขาตรงไหนได้บ้างเนี่ยนะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ตรงไหนเนี่ยนมะันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทาอะไรผิดพลาดะนนะนก็น้อมไปเพื่อที่จะเกื้อกูลน้อมไปเพื่อที่จะสงเคราะห์เขาเนี่ต่อไปบอกว่าส่วนเมตตาวจีกรรม ต่อหน้าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าคือรู้จักพูดยกย่องคนอื่นบ้างนะรู้จักยกย่องคนอื่นเรียกว่ามีเมตตามโน function, โเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเช่นท่านเทวะเทระท่านติสสะเทระเนี่ยนะก็คือเป็นยังไงก็งคือมีการพูดคุยมีการทักทายปราศัยว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้กันดานไม่ได้แห้งแล้งอีกฝ่ายหนึ่งมีเมตตาต่ออีกฝ่าย ห, นะหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังหวังดีปรารถนาดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้า เราว nice ่าขอให้ท่านมีความสุขนะเช่นอีกฝ่ายหนึ่งมากราบว่าอีกฝ่ายหนึงหรืออีกฝ่ายนึงเห็นอีกฝ่ายนึงก็ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขงั้นการที่ปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึงมีความสุขนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมนะนะเมตตาวจีกรรมเนี่ต่อไปสําหรับอ่าเมตตาวจีกรรมนั้นสามารถจะกล่าวได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมรับหลังก็เช่น การสอบถามถึงผู้ที่ไม่มีอยู่ในวัดหมายค่ะว่าตอนนั้นนี่เขาไม่อยู่นะก็พูดถึงว่าพระเถระไปไหนพระเถระรูปนั้นท่านไปไหนพระเถระรูปนั้นไปไหนเมื่อไรท่านจะมาที่เรียกว่าฝึกสอบถามข่าวคราวอีกฝ่ายหนึ่งการสอบถามข่าวคราวอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกำรับหลังไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่ใช่ไหมแมมซัดแหลกเลยนะพอรู้ว่าไม่อยู่เท่านั้นแขุดมากนขุดมาด่า การพูดความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่อยู่เฉพาะหน้าเรียกว่ารังแ ก, กคนข้างหลัง น, นะถ้าพูดอี็กนายหนึ่งเขาเรียกว่ากัดคนข้างหลังเหมือนกันนะการพูดความเลวอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขาเลวจริงหรือไม่จริงอ่ะถามว่าเรารู้ไหมเรารู้จริงไหมว่าเขาเลวจริงหรือเขาเลวไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวเขาไม่มีโอกาสชี้แจงเขาไม่มีโอกาสอธิบายเลยเพราะฉะั้นถ้าเราจะพูดความเลวของคนที่สามเว้นไว้เพื่อจะหาทางแก้ไข ทำพูดเพื่อหาทางแก้ไขว่าจะช่วยเหลือเขายังไงปัญหาอย่างเนี้ยมันมีแล้วล่ะนะจะแก้ไขกันตรงไหนพูดเพื่อการแก้ไขอันนี้เรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าแม้ว่างๆเลยโอ้โหหยิบความเลวขึ้นมาเล่าประเด็นหนึ่งสองสมสี่ห้ามันก็เรียกว่ากัดคนข้างหลังไอ้การกัดคนข้างหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนดีอะไรเนี่ยนะมันก็แสดงว่ามันประกาศถึงผู้ที่พูดว่าอัทธยาศัยเจริญความประพฤติกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมความประพฤติของคนที่พูดนั้นเป็น อย่างไรอย่าลืมว่าแผลทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์เราใดที่ชอบแผลและชอบของเหม็นก็แสดงว่าสัตว์เหล่านั้นนิสัยไม่ดีเท่าไหร่จิตใจของสิ่งที่เราลึกถึงแต่ความเลวร้ายไม่ได้น้อมไปเพื่อการแก้ไขก็มีอัธยาศัยมาแรงวันที่ประเภทไปตอมไปวางไข่ไว้เต้ไปหมดเป็นต้นก็ถือว่าไม่ดีเนี่ยนะส่วนเมตตา มนโนกรรมเมตตา ม, มนโนกรรมเนี่ยเขาบอกว่าการมองด้วยการมองด้วยสายตาที่ผ่องใสมองด้วยความหวังดีมองด้วยความห่วงใยมองด้วยสีหน้าที่ผ่องใสอันนี้เรียกว่าเมตตา ม, มนโนกรรมต่อหน้าไม่ใช่พอมองเห็นหน้าปั๊บเนี่ยนะแผ่รังสีอ ม, มะตะสองหน้าเลยนะตายได้ก็ตายวอดวายได้ก็วอดไปเถอดเนี่ยนะเหมือนกับว่าแหม โกรธมานานแ้นะสายตาแช่งเลยมันนะ่ะแช่งกันด้วยสายตายามกันด้วยสายตาถ้าอย่างนี้ก็ขาดเมตตาต่อหน้าเพราะเมตตามนโนกรรมหมายถึงว่ามองกันด้วยความหวังดีมองด้วยความปรารถนาดีมองด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อหวังประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าเมตตามนโนกรรมต่อหน้าเพราะว่าบางทีจิตตชรูปมันแผ่ออกมาทาง จักขูใช่ไหมคือเนื่องจากว่าไม่ได้พูดไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าสายตาบอกว่าหวังดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะอีกคนหนึ่งมองด้วยอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความชื่นชมหวังมองด้วยสายตาที่เป็นมิตรมองด้วยสายตาที่เป็นเพื่อนมองด้วยสายตาที่ว่ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือบ้างเนี่ยนะมีอะไรจะให้ช่วยเหลือบ้างมีอะไรจะให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยเหลือกันก็คือคนที่มีเมตตาต่อกันมันมองกันมันก็มองมันก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ขาดเมตตาต่อกันเนี่ยนะ คือทุกอย่างเนี่ยตานี้มันเป็นหน้าต่างแห่งมนโนกรรมดวงตาเนี่ยมันเป็นตัวที่ประกาศถึงมนโนกรรมเพราะฉะนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอใจไม่พอใจก็ดูจากอะไรดูจากดวงตานี่ยนะโดยมากก็ดูจากดวงตาทั้งหลายดวงตาเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกอะไรเลยละอย่างเพราะมันเป็นหน้าต่างของจิตแตชรูปเนี่ยนะเป็นหน้าต่างของจิตตชรูปจิตนี้มันต้องทําจิตตชรูปออกมาทางดวงตาแน่นอนถึงสีหน้าอาจจะ บีบได้ขมได้อะไรได้แต่ดวงตาเนี่ยมันจะบอกทั้งหมดเลยเนี่ยนะพันดวงตาเนี่ยถ้าขาดเมตตามองล่ะถ้ามองด้วยจิตที่ขาดเมตตาขาดความหวังดีขาดความปรารถนาดีเป็นอย่างไร